ที่นั่นแล้วก็คงจะกลับวันนั้นหมดวันที่ยี่ภาเพื่อจะได้มาพบกับศรัทธาญาติโยมที่นัดกันไว้แต่เราไม่มาก็อย่างไงพอนัดกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาคนเป็นร้อยทํำยังไงแบบจสั่งระงับก็ใช่เรื่องเพราะนั้นก็ต้องหนักหนาอย่างไงก็ต้องพอพบกันก่อนนี่แ